สนี้เราถือว่าเวลานี่เป็นของมีค่ามีค่ามากๆเลยเหตุผล ก, ก็เพราะว่าเวลาแต่ละนาทีหรือแต่ละวินาทีที่ผ่านไปเนี่ยมันหมายถึงเงินที่เพิ่มมากขึ้นหรือโอกาสที่จะมีรายได้มากขึ้นแค่ฝากเงินไว้ในธนาคารเนี่ย เงินมันก็งอกขึ้นตามะระยะเวลาจึงมีคมพูดว่าเวลานี่เป็นเงินเป็นทองนะหลายคนเนี่ยก็พยายามใช้เวลาให้มีคุณค่าในทางที่เพิ่มรายได้ให้มากขึ้นหลายคนเนี่ย เสาวที่ก็ไม่ได้พักผ่อนหรือไปเที่ยวเพราะถือว่าเป็นการสิ้นเปลืองใช้เวลาอย่างสิ้นเปลืองแต่เอาเวลาไปทำมาหากินไปเพิ่มรายได้บางทีแม้กระทั่งกลางค่งกลางคืนก็ยังไม่หยุดทำงานหลายคนรู้ว่าเวลา ของทุกคนเนี่ยมันมีเท่ากันกนะ็คือ24ชั่วโมงแต่ก็พยายามที่จะหาเวลาเพิ่มมากขึ้นมากกว่าคนอื่นเพื่อจะได้ทำมาหาเงินให้มากขึ้นอย่างเช่นหลายคนนี่ก็ตื่นนอนนี่ตั้งแต่ตีสตีสเลยนะ นอกจากนอนดึกแล้วยังตื่นแต่เช้านะตีส0มต4ี่เพื่อมาทำงานเพิ่มความได้เปรียบของตัวเองนะคนอื่นก็ยังนอนอยู่ครูแข่งยังนอนอยู่แต่ว่าเราตื่นเช้าขึ้นมาทางานอันนี้ก็เพราะเขาเห็นว่าเวลานี้เป็นเงินเป็นทองที่จริงมันไม่ใช่แค่ทางโลกนะที่คิดแบบนี้นะทางธรรมก็ มองว่าเวลาเป็นสิ่งมีค่าเหมือนกันแต่ที่ว่าเวลามีค่าเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าแต่และนาทีที่ผ่านไปมันหมายถึงเงินที่งอกเงยขึ้นมาในทางทำมองว่าเนี่ยแต่และนาทีที่ผ่านไปมันก็หมายถึงชีวิตของเราที่สั้นลงไปสั้นลงไปหรือเหลือน้อยลงไปทุกทีคุณค่าของเวลาเนี่ยมันมองต่างมุมกันของทางโลกนี่ เวลาแตนา่นาทีที่ผ่านไปมาถึงโอกาสที่จะตักตวงเงินทองให้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในทางทำเวลาที่ผ่านไปมันหมายถึงชีวิตที่เหลือน้อยลงไปทุกทีในโลกนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะใช้เวลาไปอย่างปราประโยชน์แต่ว่าใช้ไปเพื่อการ สร้างคุณงามความดีจริงอยู่นะเรื่องทำมาหากินก็ต้องทาแต่ว่านั่นก็ไม่สําคัญเท่ากับการสร้างคุณงามความดีเพื่อทำให้ชีวิตนี้ ม, นมันมีคุณค่ารวมไปถึงการฝึกฝนพัฒนาจิต ด, ด้วยหลายคนก็ไม่ได้พอใจแต่เพียงแค่การทำความดีสร้างบุญสร้างกุศล แต่ว่าใช้เวลาที่มีอยู่ในการที่พัฒนาจิตใจให้เจริญงอกงามมากขึ้นเพราะอะไรนะเพราะว่าจิตใจที่เจริญงอกงามมีคุณธรรมหรือว่ามีธรรมะเนี่ยก็จะเข้าถึงความสุขได้ง่าย หรือว่าสามารถที่จ่าฟันฝ่าผ่า น, านพ้นอุปสรรคความทุกข์ไปได้เพราะว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยสุขอทุกข์มันก็อยู่ที่ใจนั่นแหละมันไม่อยู่ที่ว่ามีมากหรือมีน้อยโดยเพราะคําว่ามากเนี่ยทำไมถึงการมีทรัพย์มากๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นหลักประกรันแห่งความสุขอย่างแท้ จ, จริงแต่ว่าถ้ามีอริยทรัพย์มากเนี่ย อันนี้ต่างหากนะที่มันเป็นหลักประกันในความสุขได้แม้ว่าสามั ญ, ญาทรัพย์จะมีน้อยแต่ว่าอริยทรัพย์มีมากมันก็สามารถจะนำพาเราได้เข้าถึงความสุขความสงบเย็นในจิตใจไม่ว่าจะมีอะไรมากระทบก็าตามเัง น, นคนที่คนที่เป็น นักภาวนาเนี่ยนะป็นนักปฏิบัติธรรมหรือคนที่ตระหนักถึงคุณค่าของธรรมเนี่ยก็จะไม่ยอมปล่อยเวลาผ่านเลยไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะเวลาเนี่ยเป็นของมีค่านี่ในทางโลกเนี่ยนะพอเห็นว่าเวลาเป็นของมีค่าเวลาเป็นเงินเป็นทองเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะทำอะไรก็ตามนี่ ถ้ามันใช้เวลาน้อยที่สุดยิ่งดีเลยอะไรที่มันก่อให้เกิดผลไวๆวถือเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาแม้แต่การหาความสุขจากการเสพเนี่ยเช่นการกินกาแฟเนี่ยกาแฟนี่มันก็ต้องอเป็นกาแฟที่ ต้มไวๆนะหรือปรุงได้เร็วๆนะหรืออนะินสแตนกาแฟอันนี้ก็เป็นที่นิยมมากหรือว่ามานะม่านี่มาม่าก็ต้องนะใช้เวลาต้มไม่นานเพราะเวลาเป็นของมีค่าเ่จะเปิดโทรศัพท์เปิดโทรศัพทพ์ก็ต้องบูตได้เร็วนะใช้งานได้ไว ก็แข็งกันตรงนี้แหละด้วยนะโทรศัพท์ก็ดีคอมพิวเตอร์ก็ดี iPad ก็ดีโน้ตบุ๊กก็ดีะมันต้องเปิดปุ๊บใช้งานได้ปั๊บเลยอย่างสมัยหนึ่งสมัยที่คนเรายังดูดโทรทัศน์กันก็มียี่ห้อหนึ่งโคษนาลเนี่ยเปิดปุ๊บติดปั๊บไอแบบนี้ก็เป็นจุดขายนะเพราะคนเห็นว่าเนี่ยจะทำอะไรมันต้อง ใช้เวลาไม่นานหรือว่าเกิดผลเร็วๆ เ, เพราะเวลาเป็นของมีค่านีอันนี้รวมไปถึงเวลาจะทำอะไรนี่เนื่องจากเขาบอกวเวลามีจํากัดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทำแล้วก็เวลาทาแล้วก็ตามนี่ถ้ามันทำหลายอย่างพร้อมกันได้ยิ่งดีเลยแล้วก็เป็นขั้นนิยมนะ ส่งเสริมให้คนทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันกินข้าวไปด้วยก็คิดเรื่องงานเรื่องการไปด้วยกินข้าวไปด้วยก็สนทนาธุรกิจเจรจาธุรกิจกันไปด้วยหรือถึงไม่ได้เจรจาใครนะก็กินข้าวไปด้วยก็ก้มดูโทรศัพท์นะนะเล่นไลน์เล่น Facebook ไปด้วย อันนี้ก็เป็นเป็นขั้นนิยมนะของคนในยุคนี้ตรงทำอะไรได้อย่างพร้อมๆกันถือว่าเป็นการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพเช่นเวลาอาบน้าเวลาทูฟันก็คิดเรื่องงานเรื่องการไปด้วยหรือว่าทั้งเสพสุขทั้งทางานคิดงานการก็ทำไปพร้อมๆกันเลย กินข้าวไปด้วยฟังเพลงไปด้วยตาก็ดูข่าวฟังโทรทัศน์แล้วหูก็อาจจะฟังธรรมะหรือว่าฟังการสนทนากันการสัมภาษณ์เนอันนี้เป็นสิ่งที่นิยมทำกันนะเพราะเห็นว่ามันทำแล้ว มันได้หลายอย่างพร้อมๆกันถือว่าเป็นการใช้เวลาที่มีประสิทธิภาพแต่จริงแล้วในทางรำนี่มองอีกแบบหนึ่ง น, นะมองว่าเนี่ยเวลาทำอะไรเนี่ยควรทำเป็นอย่างๆไม่ว่ากินข้าวถูฟันไม่ว่าอาบน้ำหรือว่านะเดินไปขึ้นรถ เดินข้ามเดินระหว่างตึกทำอะไรก็ทำเฉลี่ยอย่างไอการทำเฉลี่ยอย่างเนี่ยนะะบางคนก็ถือว่าเนี่ยเป็นการใช้เวลาที่ไม่มีประสิทธิภาพแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำเฉลี่ยอย่างนี่นะถ้าทําเป็นนี่มันได้หลายอย่างนะอย่างน้อยก็2 อ, อย่างนะคือได้งานแล้วก็ ได้สติด้วยเวลาทําอะไรเนี่ยใจเราก็อยู่กับสิ่งนั้นเรียกว่าทำเช่นไรอย่างทำด้วยใจเต็มร้อยกินข้าวใจก็อยู่การกินข้าวอาบน้ำใจก็อยู่การ ก, การอาบน้ำมันไม่เพียงแต่ทำให้ทำกิจต่างๆได้ลุล่วงด้วยดีเท่านั้นนะ แต่มันจะเป็นการเพิ่มพูนสติให้มีมากขึ้นด้วยเพราะเวลาใจเราอยู่กับสิ่งนั้นเนี่ยบางครั้งอาจจะวอกแวกไปแต่พอมีสติรู้ทันก็พาใจกลับมามันได้ทั้งสติแล้วมันได้ทั้งสมาธิด้วยคนที่ทําอะไรทีไรอย่างเนี่ยสติเขาก็จะดีสมาธิเขาก็จ ะ, ะมั่นคง ่ที่คนที่ทำหลายๆอย่างนี่นอกจากสติจะไม่ดีนะเพราะว่าใจมันวล็อกแบกสมาธิก็ไม่ค่อยตั้งมั่นแล้วเผลิเ <ๆ S 1> งานที่ทำก็ไม่ดีสักอย่างเลยเดี๋ยวนี้เขาก็มีงานวิจัยนะโดยสถาบันชื่อดังอย่างฮาวต์เนี่ยก็บอกเลยาการทำชีระอย่างนี่ มันได้งานดีกว่าแล้วก็ใช้เวลาน้อยกว่าการทำหลายๆอย่างพร้อมกันด้วยแล้วมันยังดีนะ ด, นด้านอื่นด้วยนะอย่างเช่นเวลากินข้าวเนี่ยถ้าเรามีสติว่การกินข้าววางเรื่องงานการต่างๆไว้ก่อนมีงานอะไรรออยู่ข้างหน้าก็วางเอาไว้เรื่องราวข่าวสารอะไรที่ได้ยินได้ฟังมาก่อนกินข้าวก็วางเอาไว้ ใจอยู่อาการกินข้าวเนี่ยถ้ามันไม่เพียงแต่ดีต่อร่างกายมันดีต่อจิตใจด้วยมีสติมากขึ้นการดูการสุขภาพก็ดีขึ้นด้วยเพราะว่ามันไม่เครียดบางคนนี่กินข้าวเร็วเนี่ยพราะว่าส4มสีหนาทีก็หมดก็เสร็จละ เพราะว่าคิดแต่เรื่องงานอยากจะกินให้เสร็จไวๆได้ไปทำงานปรากฏว่านะกับพ่อก็ไม่เคยดีบางทีหายใจไม่เต็มท้องไม่เต็มอิ่มกินยาเท่าไหร่ก็ไม่หายแต่พอเริ่มมากินข้าวช้าลงเคี้ยวคายช้าลงเนี่ยอาการพวกนี้มันก็หายไปได้นะี่แสดงว่ามันเป็นเพราะความเครียด จากการกินอาหารหรือการที่เคี่ยวข้าวเร็วอันนี้ก็เป็นการใช้เวลานะอย่างคุ้มค่ามกันนะเพราะว่ามันทำให้สิ่งที่เราทำในแต่ละนาทีแต่ละนาทีนี่ไม่มีประโยชน์จริงๆงงานก็ได้ผลใจก็มีคุณภาพมากขึ้น ทำทีละอย่างแต่ว่าได้หลายอย่างไปพร้อมๆกันแร้วจริงแร้วควรจะทำอย่างนี้เป็นนิสัยนะไม่ว่าเราทำอะไรมันเป็นโอกาสนะของการฝึกจิตโดยเพราะการฝึกสติไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะที่ทำแล้วเนี่ยมันไม่สามารถจะมาใช้เป็นการพัฒนาจิตของเราได้ เริ่มจากตื่นนอนขึ้นมานะเก็บที่นอนอาบน้ำถูฟันออกกำลังกายหรือว่าเดินไปเดินมาไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์นะเฉพาะงานที่ทำแล้วสำเร็จนะแต่ว่ามันมีประโยชน์มีคุณค่าต่อตจิตใจของเราด้วยแล้วเราก็ควรจะรู้จักใช้หรือช่วย โอกาสนะจากการทําสิ่งเหล่านี้เนี่ยเพื่อการปฏิบัติธรรมหรือเพื่อการภาวนาด้วยหลวงพ่อเขียนท่านผู้อยู่เสมอนะว่าเนี่ยนักปฏิบัติธรรมนี่ต้องเป็นนักเฉลยโอกาสเฉลยโอกาสเนี่ยหมายความว่าใช้ทุกเวลาให้เป็นประโยชน์ในทางนะการพัฒนาจิตมีเวลาว่างเมื่อไหร่ ก็เอามาใช้เพื่อการฝึกจิตยัยงมีหมอคนนึงนะเป็นหมอผ่าตัดโอยบางช่วงนี่ผ่าตัดไม่ได้หยุดเลยเลยเพราะช่วงที่เป็นเทศการสงกรานต์ปีใหม่เนี่ยเหนื่อยก็เหนื่อยนะแต่วลาพอเวลาผ่าผ่าเสร็จหนึ่งรายแล้วก็รอรายต่อไปเนี่ย ก็ใช้เวลานั้นเนี่ยมานั่งสมาธิมาตามลมหายใจมาเจริญสติแม้จะหานาที10นาทีเนี่ยก็ไม่ยอมปล่อยให้เวลาไม่ยอมปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยปลาประโยชน์ขณะที่บางคนเนี่ยพอมีเวลาว่างนี่ก็หยิบโทรศัพท์มามาดูมาเล่นอันนี้รวมถึงเวลาทำงานอื่นด้วยนะบางคน พอทำงานเสร็จในออฟฟิศมีเวลาพักสักหน่อยก่อนจะก่อนที่ไปประชุมแทนที่ใช้เวลานั้นเนี่ยเพื่อการผ่อนคลายจิตใจด้วยการทำสมาธิก็เอาโทรศัพท์มามาเปิดมาเล่นมาดูซึ่งบางทีข้อความที่เห็นนี่มันก็ทำให้เครียดหนักเข้าไปอ่ะนักภาวนาเนี่ยนะรู้จักช่วยโอกาส แล้ที่จริงมันไม่ต้องรอให้มีเวลาว่างนะไม่ว่าทำอะไรเนี่ยมันก็เป็นการเจริญสติไปด้วยได้ทั้งนั้นจะเป็นการทำกิจวัตรประจำวันหรือว่าการทำงานทำการก็ตามเพียงแค่เราถือหลักว่าเนี่ยทำอะไรใจก็อยู่กับสิ่งนั้นหรือว่าทำเียะอย่างมันก็เป็นการปฏิบัติแล้ว และทุกอย่างทุกกิจกรรมเลยนะมันก็มาใช้ได้แม้ทั้งระหว่างที่รอคนระหว่างที่รอเพื่อนะระหว่างที่รอรถแทนที่จะปล่อยเวลาไปเปล่าๆก็มาเจริญสติถึงนิ้วหลวงพ่อเทียนนั้นสอนว่าเนี่ยเวลาทำท่านบอกเนี่ยอย่าอยู่นิ่งๆ น, นะให้ขยิงขยับอยู่เสมอ ไม่จำเป็นว่าต้องเดินจงกรมสร้างจังหวะอย่างเดียว mm. จะพลิกมือไปพริกมือมาจะครึ่งนิ้วก็ได้ให้รู้กายให้เอาอิเลีย บ, บทแม่เล็กน้อยเหล่านี้เนี่ยเป็นการมาฝึกสติจนแม้กระทั่งเวลาเข้าห้องน้ำนขณะที่ถ่ายหนักเราก็ตามลมหายใจไปด้วยหรือว่าครึ่งนิ้วไปด้วย mm. นี่คือการใช้เวลา อย่างคุ้มค่าอย่างมีประโยชน์ไม่ว่าทำอะไรเนี่ยก็ใช้สิ่งนั้นเนี่ยมาเป็นเครื่องฝึกสติฝึกจิตได้เสมอแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะพอว่างเมื่อไหร่เนี่ยก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูมาเล่นมามาไถเ่เข้าห้องน้ำก็วางโทรศัพท์ไม่ได้อันนี้เนี่ยมัน กับกลายเป็นการาใช้เวลาสิ้นเปลืองไปโดยเปล่าประโยชน์ด้วยซ้ำนี่การนอกจากนอกจากการถวยใช้สิ่งต่างๆที่กำลังทำอยู่ให้เป็นโอกาสในการภาวนาแล้วเนี่ยเวลาเราเจออะไรก็ เ, เหมือนกันนะเวลาเจออะไรเนี่ยเราก็สามารถเอามาใช้ ให้เป็นประโยชน์ในการภาวนาได้แม้ว่าเวลาเจอสิ่งที่มากระทบให้เกิดความไม่พอใจให้เกิดความขุ่นเคืองใจถ้าเราไม่ไม่ไม่รู้จักใช้โอกาสจากเหตุการณ์ต่างๆที่เจอเจอเนี่ยชุดลมก็จะหรือจิตใจลมก็จะวันไหวไปตามสิ่งที่มากระทบ มีขึ้นมีลงมีบวกมีลบนะมีฟูมีแฟบใอ้ขึ้นไม่เท่าไหร่แต่ตอนลงใช่หนะหรือว่าฟูยังไม่เท่าไหร่แต่ตอนแฟบเจอรูปเจอข้ อ, ขอความที่ไม่ถูกใจเจอเสียงนะที่ดังมากระทบอันนี้เป็นสิ่งที่เราเจออยู่เป็นประจําในชั่วประจําวันเอาคนที่ไม่รู้จักนะช่วยใช้โอกาสจากสิ่งเหล่านี้เนี่ย ก็จะลงเอยด้วยความทุกข์ด้วยความหงุดหงิดด้วยความรําคาญด้วยความไ ก, กรเกลียวหรือว่าด้วยความวิตกกังวลซึ่งเรียกว่าเจอแบบนี้เรียกว่าขัดทุนนะแต่ถ้าเรารู้จักใช้เหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยให้เป็นประโยชน์ในทางในทางธรรมเนี่ยเราสามารถจะใช้ได้นะเช่นมองว่าเนี่ยเออมันเป็นสิ่งที่มาสอบอารมณ์ของเรา เป็นสิ่งที่มาสอบว่าไอ้ที่เราปฏิบัติเนี่ยนะมันก้าวหน้าไปแค่ไหนแล้วที่เราเจริญสติเนี่ยที่เราฝึกสมาธิหรือว่าที่เราฝึกกรรมฐานมาเนี่ยมันก้าวหน้าเพียงใดเราก็ดูได้จากเวลาเจอสิ่งที่มากระทบมันเป็นสิ่งที่มาสอบอารมณ์หรือว่าเป็นบททดสอบจิตใจของเรา ที่ดีมากเลยหรือเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาเป็นแบบฝึกหัดก็ได้เป็นแบบฝึกหัดในการเจริญสติว่าเวลาเจอสิ่งที่กระทบแล้วใจกระเพื่อมเนี่ยมีสติรู้ทันไหมมีความโกรธเกิดขึ้นแล้วรู้ทันมาหรือเปล่านะมีความโกรธเกิดขึ้นแล้วเห็นมันไหมนะอันนี้ถือว่า เป็นสิ่งที่มาฝึกจิตของเราแต่ถ้าว่าเราไม่มีสตินะหรือเราไม่ได้มีความรู้จักช่วยโอกาสเนี่ยพอเจอสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยมันมีแต่ทำให้เราทุกข์แล้วเราก็บ่นว่าแย่จังวันนี้สวยจังนะมีแต่สิ่งแย่ๆนะที่ทำให้ โกรธทำให้โมโหทำให้รุ่มร้อนทำให้วิตกกังวลอย่างนี้เรียกว่าขาดทุนและแต่ถ้าเรามองว่าเออมันเป็นสิ่งที่มาฝึกให้ฝึกสติของเรานะฝึกว่าเราจะมีสติรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการกระทบไหมหรือว่าเอามันไปเป็นสิ่งที่มาสอบอารมณ์ของเราว่าเราปฏิบัติได้ก้าวหน้าแค่ไหน อย่างนี้ถือว่าได้กําไรนะนักปฏิบัตินี้ต้องรู้จักน ะ, ะหาประโยชน์จากสิ่งต่างๆไม่ใช่จากการฟังคำสอนหรือธ ร, รมาจากครูบาอาจารย์ะแต่รวมถึงการที่หาประโยชน์จากสิ่งต่างๆที่มากระทบหรือสิ่งที่เจอที่เจอแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดความ หงุดหงิดลำคัญใจแต่ก็ไม่ได้บ่นโวยวายตีโพตีพายมันก็เมื่อนกับเวลาเราเล่นเกมนะลองมาแบบนี้บ้างว่าเหมือนกับเวลาเราเล่นเกมนะตะมาก็ไม่ค่อยได้ไม่เคยเล่นพวกเกมพวกวิดีโอนะแต่ก็พอจะนึกภาพออกอยกตอย่างเช่นอ่ะสมมติว่าเล่นเกมอันนี้เกมง่ายๆนะเกมขับรถหลายคนที่เล่นเกมขับรถเนี่ยเวลามันเจออุปสรรคนะ ระหว่างทางเนี่ยทีแล้วอุปสรรคอาจจะมาอาจจะมีไม่เท่าไหร่ตอนเราอุปสรรคก็มีมากขึ้นมากขึ้นส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เห็นรู้สึกลาคาญกับการที่มันมีอุปสรรคมาขึ้นระหว่างทางในขณะที่เล่นเกมเลกับวิสุทว่าตื่นเต้นไปนเรื่องที่ท้าทายหรือบางทีเนี่ยมันมีเกมชนิดว่าเนี่ยเดินทางแล้วมีคนมาขวางก้อนอิสไซที่แล้วคน2คนที่แล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆ บางทีก็ไม่ซุ่มโจนตีอุปรสรรคมันมากขึ้นเรื่อยๆคนที่เล่นเกมเหล่านี้ก็ไม่เคยรู้สึกว่าทำไมฉันซวยแบบนี้กับรู้สึกว่าเป็น เ, นเรื่องที่ตื่นเต้นท้าทายยิ่งมีมากเท่าไหร่นะก็ยิ่งเป็นเรื่องที่มาช่วยฝึกฝนให้มีความระแวดระวังมากขึ้นกับเกมเนี่ยนะเราไม่รู้สึกลาคาญหงุดหงิดกับอุปรสรรคที่มันมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลย เพราะหลไรเพราเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเป็นเรื่องที่ ท, าท้าทายเป็นเรื่องที่ฝึกทักษะหรือว่าปฏิพานของเราเราก็ควรจะมองเนีเหตุการณ์ต่างๆที่เจอเจอในชีวิตประจําวันแบบนี้ดูบ้างแทนที่จะมองว่ามันเป็นสิ่งที่รบกวนแทนที่จะมองเป็นเคราะห์มองว่ากับมองว่าเออมันเป็นสิ่งที่มาฝึกฝึกสติของเราฝึกอินทรีย์ของเรานะว่าได้พัฒนาแค่ไหน อินสี่ห้าที่เราได้ฝึกฝนสะสมมาเนี่ยมันพอเพียงหรื อ, อยังถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยนะก็เรียกว่าได้กําไรก็เรียกว่าเป็นการโชวโอกาสด้วยเป็นการโชวโอกาสเอาเหตุการณ์ต่างๆที่เจอเจอเนี่ยมาเป็นเครื่องพัฒนาจิตใจของเราไม่ใช่เจอแล้วจมอยู่ในความทุกข์จมอยู่ในความเศร้าจมอยู่ในความหมงุดหงิดอย่างนี้เรียกว่า ขาดทุนอย่างนี้เรียกว่าใช้เวลาไปในสิ่งที่เปล่าประโยชน์หรือว่าเป็นโทษด้วยซ้ําในเมื่อเราเห็นว่าเวลาเป็นสิ่งมีค่าเนี่ยก็ไม่ควรจะเสียเวลาไปกับความทุกข์คนยุคนี้เนี่ยนะแม้จะบอกว่าเนี่ยเวลาเป็นของมีค่าเวลาเป็นเงินเป็นทองแต่ว่าหมดเวลาไปกับความทุกข์ไปกับความเศร้าไปกับความวิตกกังวลไปกับความเครียดมากเหลือเกินจนไม่เป็นอันทําอะไรเลย มันสวนทางกันมากเลยนะเวลาเป็นของมีค่าแต่หมดเวลาไปกับความทุกข์ความหงุดหงิดความเครียดความวิตกกังวลความเบื่อความเซ็งอันนี้เพราะว่าไม่รู้จักนะใช้เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมาเป็นเครื่องฝึกจิตใจของเรางั้นถ้าเรารู้จักโชวโอกาสนะจากไม่ว่าทําอะไรก็ฝึกสติไปด้วยในตัวไม่ว่าเจออะไรนะก็ถือว่า เป็นแบบทดสอบนะคุณภาพจิตของเราไอ้แบบนี้เนี่ยก็ถือว่าวันทั้งวันคือการปฏิบัติธรรมและวันทั้งวันเนี่ยมันก็กลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าขึ้นมาแาน ท, ที่หมดเวลาแปลความทุกข์หมดเวลาแปลความเศร้าโศมหมดเวลาแปกความเครียดซึ่งนะมันก็คือการปล่อยเวลาให้สูญไปโดยเป่าประโยชน์มันเป็นการเรียกว่า ปล่อยให้ตัวเองจมอยู่ในความทุกข์เป็นการทุกข์แบบทุกข์ฟรีรีนะอย่างที่หลวงพ่ อ, เ, อเขียนว่าเนี่ยทุกข์ฟรีฟรีทุกแต่ละทีมันต้องได้อะไรนะกลับมาชนิดที่ว่าคุ้มค่ากับความทุกข์ไม่ใช่ว่าทุกข์แล้วไม่ได้อะไรเลย อ, อย่านี้พูพเท่านี้นะเรกราบระ